มีที่พักหรือยั ง, ม, งมีที่พักอ๋อมุกอะมกา่มาคเามามยว่าพักถู่มายังไม่ถึงเหรอมาถึงแล้วค่ะพักอยู่ที่ห้องพักค่ะอ๋อพักที่ไหนกุฎอ่อนนะพักที่ไหนฮะพักตรที่ผู้ชายพัะอะค่ะอ๋อที่ ท, ที่ที่สาาลาเหรอ โอ้ยทีสารา่กว้างมันไม่ค่อยร้อนเปิดพัดลมก็ยังได้เลยเพราะว่าทางโน้นอ่ะเขาเขาเปิดเครื่องเนี่ยเปิดพัดลมได้เต็มที่เลยอันนี้ไม่ใช่ไฟเครื่องนะ น, นี่ไฟสาเซนเลแล้วก็ในครัวทางโน้นก็ไม่ใช่ไฟเครื่องเขาเปิดไปใช้เฉพาะสารากับห้องน้ํา <c oughs> กับโรงทาน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 พิจารณาเสียงเสียงนี้เป็นอารมณ์ของวิปัสนาอุดจริงนะมันมันพูดเล่นได้หน่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเป็นอารมณ์ของวิปัสนาพิจารณาให้รู้ที่ไปที่มาของรูปรู้ที่ไปที่มาของเสียงของกลิ่นของรสของสัมผัสให้รู้ที่ไปที่มาของมันทั้งรูปมันมีเหตุมีปัจจัยของมัน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 คือสิ่งที่จะพึงสำเร็จได้ด้วยการกระทํนะสิ่งที่จะพึงสำเร็จได้ด้วยการกระทําเช่นอย่างเราต้องการให้จิตได้รับความสงบเราต้องการเฉยๆเราไม่ทำจะสงบไม่ได้จะสงบได้ด้วยการกระทําท่านจึงเรียกว่ากรร ม, มฐานกรร ม, มฐา น, นาอาศัยความภาคความเพียรค่าวมุสาพยายามเป็นที่ตั้งแห่งการแห่งงาน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 นั่งภาวนานี่ใครขึ้นมาเนี่ยุ ม, มกษัตริย์นะฮะแล้วพักตรงไหนข้างหลังนี่ข้างหลังสลาใหญ่อืมพักอยูข่ข้างในสลาใหญ่ใช่ครับอ่าสลาใหญ่ยุงเข้าได้หรือเปล่าก็ไม่รู้รยุงเข้าได้ไหม มีมูรวดเอมีเต็นมีเต็นก็บริจาคมันบ้างมันหิว <laughs> บริจาคมันบ้างกำลังพูดธรรมะเรื่องสมถะกรรมฐานเรื่องวิปัสสนากรรมฐาน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 คือการตัดกระแสของกิเลสที่มันจะพึงมายุเยะเข้าไปถึงที่จิตของเรามันเข้าไปถึงทั้งรูปทั้งเสียงทั้งกลิ่นทางรสทางสัมผัสไปถึงจิตแต่เราเอาเจตนาทั้งๆที่รู้ๆอยู่เดี๋ยวนี้ขณะ น, นี้ตอนนี้เวลานี้ว่าเรากําลังประคับประคองบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธเนี่ยคุยทําไม เฮ้ยฮะพาที่ไหนมาฮะ huh? uh, อ่าค่อนข้างที่คุยทำไมกำลังพูดทำไมฟังนี่ดูดูก็ปฏิบัติได้เราดูดูก็ปฏิบัติได้ไม่จาเป็นต้องพูดออกเสียงอะไร มะนี้หมดแล้วอืพอเราดึงมันไปเราก็ดึงกลับมาไปแล้วก็ดึงกลับมาไปแล้วก็ดึงกลับม า, บมาในที่สุดมันก็สู้เราไม่ได้ดอกจิตมันต้องได้รับความสงบเยือนไดนะ้แต่มันก็มีช่วงมีขณนะมีการมีเวลาเหมือนกันนะบางช่วงเรานั่งไปยิ่ม มากเกินไปก็อึดอัดหิวมากเกินไปก็อึดอัดบางครั้งเราทิ้งเราทิ้งความหิวเราทิ้งความอิ่มเรามาอยู่กับลมหายใจอย่างเดียวมาอยู่กับลมหายใจอย่างเดียวเอาลมหายใจเป็นตัวนํนำเอาลมหายใจเป็นหลักเอาสติเป็นเชือกมัดอะไรมัดใจให้ใจมันอยู่กับลม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 เหมือนบุรุษต้องการไฟจากการสีไม้เกิดไฟสีสีสีสสไปแล้วก็หยุ ด, พ อ, ย ด, ย ด, ด, ยดพอหยุดมันก็เย็นคิดได้กับสีสีสีสีแล้วก็หยุดพอหยุดมันก็เย็นแล้วเมื่อไรจะได้ไฟใช้ไม่มีโอกาสที่จะได้ไฟใช้ทําอย่างต่อเนื่องทู่ไม่ยอมหยุดทู่ไม่ยอมหยุดมีสัญญาณบอกอา้าวไฟมาแล้วไฟมาแล้วมีควันเกิดขึ้นแล้วมีขมเหลาดำๆเกิดขึ้นแล้ว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 เหมือนกับเราสีไฟนั่นแหละเพราะรู้ว่ามีมีมีควันมีควันอา้าวเป็นฐานดำดและอา้าวเป็นฐานแดงๆงแล้วเอาขยับใหญ่เลยชนิดเอาคือฝุ่นกี้ฝอยแล้วเล็กใส่เข้าไปเอาปา่าเป่าคุกเป็นไฟขึ้นมาได้ไฟใช้นี่นี่เป็นข้ออุปมาเป็นข้อเปรียบเทียบแต่พวกเราก็จะเข้าลักษณะว่าสีสีสีสี ส, ส, ส, สีดึงไปดึงมาดึงไปดึงมาเนหนื่อยก็หยุด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 ช่องทานที่เราออกเราต้องมาทําอย่างนี้พระองค์ก็ไปทําผิดทําถูกทำผิดทำถูกเป็นเวลาถึงหปีก่อนที่จะถึงวันเพ็ญเดือนหไม่กี่วันอุปมาสามสี่อย่างเกิดขึ้นแก่พระองค์ อ, อุปมาข้อหนึ่ง อ, อุปมาของการตั้งใจปฏิบัติธรรมข้อหนึ่งของพระองค์ข้อหนึ่งไม้สดไม้สดชุ่มด้วยยาง แช่อยู่ในน้ำม่อุปมาเป็นอุปมาเหมือนว่าถ้าบุรุษต้องการไฟเอามาสีให้เกิดไฟเหนื่อยเหนื่อยเปล่าเพราะไฟกับน้ำมันเป็นปฏิปักษ์กันอ่อ่ะมีข้อหนึ่งนะเปรียบเสมือนบุคคลที่มีกายยังไม่ออกจากกามกายยังคลุกคลีอยู่ในกามยังเกี่ยวข้องผัวพันอยู่กับกาม หมาะมุ่นอยู่กับกามแล้วก็ตั้งใจมาปฏิบัติธรรมทันว่าโอกาสที่ผลจะเกิดขึ้นลำบากเน็ดเหนื่อยเปล่าทันว่าเน็ดเหนื่อยเปล่าเพราะมีกายยังไม่ออกจากกามมันเป็นการกระตุ้นเตือนให้ใครครวญให้นึกให้คิดให้ติดออกติดใจอยู่ร่ำไปไม่สามารถจะดึงจิตออกจากเยื่อใหญ่ของกามได้เหมือนน้ำ เหมือนอยางอะนะเหมือนไม้สดชุมด่มเลยยางแช่ย อ, ยอยู่ในน้ําบุรุษต้องการอมาสีเกิดไฟเกิดไฟได้ยากนี่ขอ้ขอข้อแรกข้อที่สองอบุรุษมีกายออกจากกามแล้วมีกายออกจากกามแล้วแต่มีใจยังไม่ออกจากกามกายออกจากกามหมายว่าออกจากบ้านจากเรือนมาอยู่ป่าอยู่เขาอยู่บําเพ็ญสงบเงียบโดดเด่น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 บทที่สามีกายออกจากกามแล้วมีจิตออกจากกามแล้วแต่ทําความเพียรย่อหย่อนทําความเพียรย่อหย่อนทำทำทำทำล้กหยุดทำทำทำทำทแล้วก็หยุดไม่ต่อเนื่องเปรียบเสมือนอุปมาข้อที่สาเหมือนไม้ไม้แห้งอยู่บนบกถึงแม้ว่าบรทจะเอามาสีให้ถูกต้องตามวิธี ถ้เราจะเทียบถึงข้อปฏิบัติก็เหมือนอริยมรรมีองค์แปดหรืออริยสัจสี่นะั่นแหละเรารู้วิธีรู้ข้อปฏิบัติแต่ว่าทำทำทำท ำ, ทำแล้วก็หยุดทำทำทำทำทำแล้วก็หยุดทําแล้วก็หยุดทำแล้วก็หยุดเหมือนบรดสีไม้ไม้แห้งอยู่บนบกสีให้เกิดไฟในเมือ่อสีสีไปมีความร้อนขึ้นมาบ้างะะมันก็หยุดมันก็เย็นไปอา่าก็ โอกาสที่จะได้ไฟใช้มันก็ได้มันก็เกิดไม่ได้นี่บุรุษมีกายออกจากการและมีกิจออกจากการแล้วแต่มีความเพียรย่อยหย่อนมีความเพียรย่อยหย่อนโอกาสที่จะมีมีผลที่จะเป็นที่พึงพอใจให้กับเราออย่างเกินคาดเกินหมายเกินดาวนั้นะเกิดขึ้นได้ยากแต่ว่าผลก็เกิดขึ้นบ้าง แ, และท้าความสงบบ้างอ ได้รับสติได้รับความรอบรู้ได้รับความฉลาดอยู่บ้างเราปฏิเสธไม่ได้เพราะเหตุมีผลก็ต้องมีเนี่ยนีบุรุษนี่อุปมาข้อที่สอ่าเหมือนบุรุษมีกายออกจากการแล้วมีจิตออกจากการแล้วอ่าทำความเพียรถูกต้องตามหลักอริยมรมีองค์แปดอย่างถูกต้องและทําความเพียรอย่างต่อเนื่องอ่าไม่ติดขาดติดขาดติดขาดติดขาดไม่หยุด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 วิ่งวิ่งเอาวิ่งไปเรื่อยวิ่งไปเรื่อยรู้สึกว่าใกล้จะได้ผลเต็มที่วิ่งสุดจิตสุดใจสุดชีวิตอ่าสุดชีวิตจิตใจเลยจนจนสามารถถึงอ่าถึงอาจถึงธรรมจนได้เราเป็นบุประเภทบุตรที่หนึ่งหรือที่สองหรือที่สามอุปมาที่หนึ่งที่สองที่สามหรือที่สี่อืมทีนี้มันมีข้ออุปมาที่ว่าเรา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 อิทธิบาทสี่ชันทะวิริยะจิตตะวิมังสาครบวงจรสามารถสาํสาเร็จสําเร็จจนได้ตามหลักอิทธิบาทที่ท่านสอนเอาไว้หลักอิทธิบาทนะคุณเครื่องแห่งความสําเร็จอิทธิบาทนะชันทะมีความพอใจเราดูไปที่ความพอใจของเรามีมากน้อยแค่ไหนบางทีเราขาดความพอใจทำๆๆ ๆ, ๆว่า coloc, มีเรื่องนุ้นมากกระสิบกระซาบลุดไปเรื่องนั้นสัส่มซ้ำ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 ก็จะมีต่อเนื่องแล้วก็ตามมามีต่อเนื่องตามมาฉันทะวิริยะจิตตะกำหนดจดจอ่เอจเอาจิงเอาจังเอาเป็นเอาตายเข้าใส่เข้าว่ามีปัญหามีข้ออุปสรรคยังไงไม่ยอมถอยไม่ถอยเด็ดขาดนี่คืออิทธิบาททั้งสี่เป็นคณเครื่องช่วยเสริมให้เราปรารถนาสำเร็จสมกว่ามุ่ง ม, มาตปรารถนาทุกอย่างเราสามารถเอากายออกจากกาม หรือไม่เอากายออกจากกามแต่เราสามารถเอาจิตออกจากกามได้ไหมเราสามารถทําจิตของเราให้ได้รับความสงบสามารถเอาจิตออกจากกามได้เมืเอ่อเอาจิตออกจากกามได้แล้วเ ม, มื่อเอาจิตออกจากกามได้แล้วคือจิตเรามีความสงบเมื่อจิตเรามีความสงบแล้วเราก็เข้าสู่ความสงบนั้นเนืองเนือเรื่อยๆบ่อยๆเสร็จแล้วก็สับเปลี่ยนกับการพิจารณาให้เกิดความรอบรู้ให้เกิดความรอบรู้เมืมอ่อเรามีความภาคเ <mmm พียน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 มันมีรูน้ําทะลักเข้าไปตามรูนเราอุดรูเสร็จแล้วน้ําที่อยู่ในเรือมีมากน้อยเท่าไรเราก็พยายามวิทย์ออกเราวิทยออกไปเท่าไหรมันก็หมดไปเท่านั้นวิทย์ออกไปเท่าไรก็หมดไปเท่านั้นกิเลสในหัวใจของเร า, าเช่นเดียวกันเราพยายามระมัดระวังไม่ให้ตัณหาใหม่เกิดตัณหาใหม่เกิดหมายความว่าจิตของเราหละหลวมตาเห็นรูปเกิดความยินดีเกิดความพอใจเกิดจุกขเวทนา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 ตันหาเก่ามันก็แทรกสิงอยู่ตามรูปตามเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณซึ่งเป็นขันของเรานะมันแทรกสิงอยู่ในนี้เราก็ใช้ปัญญาพิจารณาสาวหาเข้าไปสาวหา พ, พิจารณาเข้าไปอะไรเป็นดินอะไรเป็นลมอ่าเป็นน้ําเป็นลมเป็นไฟพิจารณาว่าสิ่งเหล่านี้มาเกาะกลุ่มกันได้อย่างไงอยู่ยังไงพิจารณาเพื่อทําลาย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 การพิจารณาเพื่อให้เกิดความรู้เกิดความเข้าใจนะั้นเหมือนกับเราวิทน้ำเก่าออกเหมือนกับเรารื้อตันหาที่มันฝังรกรากอยู่ในรูปในในเวทนาในสัญญาในสังขารในวิญญาณการที่เราคนา้นคว้าขุดคุยแยกแยะทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้นั่นแหละคือการพยายามทําความรู้เท่าทันรู้ความเป็นไปของมันรู้ที่เกิดรู้ที่ตั้งอยู่ที่รู้ที่ดับไปของมัน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 เราปล่อยปละละเลยปล่อยปละละวางขาดความตั้งอกตั้งใจขาดความสำารจพระมัดระวังในขณะที่เราตั้งอกตั้งใจพิจรารณาเราก็พอจะเข้าอกเข้าใจพอจะมีผลปรากฏภายในหัวใจของเราอยู่บ้างแต่ถ้าหากเราหย่อนความเพียรทีไรเมื่อไรของเก่าของเก่ามันก็มาแทนที่เหมือนเดิม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 พออารมณ์ทำเกิดขึ้นบ้างมีอยู่บ้างพอเราปล่อยละละวางปับ๊บอารมณ์เก่ามันก็มาแทนที่อารมณ์เก่ามันก็มาแทนที่เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นความภาคความเพียรครูบาอาจารย์ท่านจีวันหนักมากทําแบบไม่หยุดไม่หย่อนนะยืนเดินนั่งนอนทําตลอดทุกระยะบทนี่คือการทําความภาคความเพียร น, นะเราต้องการให้สงบเขาก็จะได้รับความสงบเราต้องการความรอบรู้ทางด้านปัญญา มันจะก็จ ะ, กจะค่อยๆขยับก็ไปเรื่อยขยับไปเรื่อยให้เกิดความรอบรู้ทางด้านปัญญาเพื่อทําลายความลุ่มหลงาธาตุขันของเราเองนี่เราพูดประสปประสานกันทั้งทั้งทั้งสมาธิทั้งปัญญาเวลาเราทํางานไปแล้วมันก็จะประสปประสานไปด้วยกันแต่ลุกตาท่านให้ทางความสงบก็ทําให้จริงจังไม่ต้องไปห่วงการพิจารณาเวลาไปพิจารณาแล้วไม่ต้องห่วงความสงบ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 ทางโลกที่เรามีกันเนี่ยแหละที่เรามีที่เราทำกันยังไม่เสร็จก็คือไม่เสร็จเราจะพยายามตั้งใจทำจนเสร็จข้างในยังไม่เห็นผลเห็นผลแค่นี้อ่าอ่ายังยังมียังมีต่อไปอีกเห็นผลแค่นี้ยังมีต่อไปอีกเห็นผลขั้นนี้ยังมีต่ออีกยังมีต่ออีกอยู่อย่างนั้นอ่าก็ทำไปเรื่อยทำไปเรื่อยทำไม่หยุดไม่หย่อนอาศัยความอุตสาพยายามได้บ้าง ไม่ได้บ้างติดบ้างขาดบ้างติดบ้างขาดบ้างซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาแต่ความความเลื่อมใสศรัทธาความมุ่งมั่นที่จะทำให้เกิดผลต่างตเหล่านี้ในหัวใจของเราเราก็พยายามมุ่งมั่นไม่ปล่อยไม่ปล่กไม่ละไม่วางสิ่งเหล่านี้มันก็สูงขึ้นมาในหัวใจของเรานะขยับถอยลงไปสมาธิได้รับความสงบได้รับความสุขขยับเข้าไป รักษาศีลการรักษาศีล น, นี่มันก็ช่วยระ ง, งับกิเลสช่วยหยาบที่จะพึงเกิดขึ้นทางกายทางวายจากของเราได้ขยับไปอีกการตั้งจะให้ทานนี่เราก็ตล่อมเข้ามาให้ทานก็มีผลมีอเนสง์รักษาศีลก็มีผลมีอเนสง์ตล่อมเข้ามาภายในหัวจิตดวงเดียวนี่แหละเจริญสมาธิก็มีผลมีอเนสง์ก็ตล่อมเข้ามาในจิตดวงเดียวนี่แหละ เจริญปัญญาก็มีผลมีอนิสงฆ์ภายในจิตดวงเดียวนี่แหละเพราะฉะนั้นพวกเราทําบุญสร้างบุญสร้างบา ร, รมีทําความภาคความเพียรก็พยายามทาให้ครบวงจอรอให้ทานแล้วก็มารักษาศีลแล้วก็มาจรุดสมาธิแล้วก็มาเจริญวิปัสนาคือมาพิจารณาทางด้านปัญญาเราทําให้ครบวงจอรอย่างนี้มันก็จะเป็นการขยับไปเรื่อยขยับไปเรื่อยขยับไปเรื่อ ย, ย, เ, รอยเราไ ม, ไม่หยุดไม่หยุดอยู่กับที่ ไม่ใช่ให้ทานก็ให้อยู่แต่กะที่ย้ำอยู่กะที่ไม่ขยับมาตั้งใจรักษาศีลบ้างให้ทานก็มีอนันในสงด้วยการให้ทานให้ทานมีผลมีอนันในสงแต่ว่าทั้งหมดมันจะตล่อมเข้ามาศีนก็ตล่อมเข้ามาสมาธิก็ตล่อมเข้ามาปัญญาก็ตล่อมเข้ามาที่ท่านว่าศีนหนุนสมาธิสมาธิหนุนปัญญาปัญญาหนุนหนุนวิมุติ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 ไม่เสียท่าเสียทีจะขยับคุณสมบัติเหล่านี้อที่จะให้พึงเกิดขึ้นในหัวใจของเรามีโอกาสที่เราจะได้ประสบได้พบได้เห็นได้อ๋อึ้นมาในหัวใจของเราอย่างแน่นอนอ่าไม่ได้ตั้งครูเลยนะมาก็พูดให้เราได้ภาวนาไปพร้อมๆอมืม าจากนี้นั่งภาวนาไปสักพักหนึ่งแล้วก็เราก็ทำวัดสวดมนต์นะนั่งภาวนาไปสักพักหนึ่งแล้วก็ทำวัดสวดมนต์